รักษาน้องสาวตามที่ได้ทราบกันแล้วว่าสเสด็จพ่อที่วิมานท่านช่วยรักษาคนเจ็บไข้ได้แต่คนที่ใกล้ตัวฉันที่สุดคือน้องสาวคนเล็กกลับเพิ่งได้รับการโปรดจากท่านน้องสาวคนนี้ของฉันมีอาการขาชาอยู่ข้างหนึ่งชาชนิดไม่รู้สึกแม้จะเอาน้ำแข็งเย็นเจี๊ยบไปทาบก็ไม่รู้สึก น้องเขาเคยไปหาหมอหมอให้ยามาทานบอกว่าเลือดไม่ไปเลี้ยงบริเวณนั้นแต่อยู่ๆไปก็กลับเป็นอีกแม้จะทานยาอยู่ก็ไม่ช่วยให้ดีขึ้นจนกระทั่งเมื่อวันที่22ตุลาคมพศ2529ซึ่งเป็นวันเกิดของฉันในตอนเช้าน้องได้ขับรถพาฉันไปถวายสังฆทานที่วัดพอเสร็จกลับมาก็มานั่งทานอาหารกลางวันกันอยู่ พอทานอาหารเสร็จได้ไม่นานขณะที่เรายังนั่งคุยกันอยู่ในห้องทานอาหารฉันนั่งเก้าอี้ตัวที่ตรงกับวิมานพอดีเป็นเรื่องแปลกอยู่อย่างหนึง่งเก้าอี้ตัวนี้ถ้าเผอิญฉันไปนั่งเข้าเมื่อไรฉันมักจะได้ยินเสียงบอกอะไรต่ออะไรให้ฉันฟังอยู่เสมออย่างครั้งนี้ก็เช่นกันท่านบอกมาว่านี่น้องเราเขาไม่สบายนะสงสารมันให้มาขอน้ํานตไปกินจะได้หาย ฉันก็รีบบอกน้องสาวว่าแน่สเสด็จพ่อที่วิมานท่านจะรักษาให้แล้วไปจุดธูปข อ, อน้ำมนต์จากท่านไปน้องเขารู้แกวเขาบอกว่าท่านมาบอกพี่อีกแล้วใช่ไหมคะพอฉันบอกว่าใช่เขาก็รีบจุดธูปเอาน้ำใส่ขันเงินไปบูชาท่านพร้อมถวายพวงมาลัยไปสองพวงพอธูปหมดดอกก็ไปรับน้ำมนต์มาเขาก็เอากลับไปทานที่บ้านเพียงคืนเดียวเท่านั้น สายสายวันรุ่งขึ้นน้องสาวก็โทรศัพท์มาหาฉันบอกว่าพี่คะขาหนูหายเกือบหมดแล้วยังชาอยู่ที่ไปลายปลายนิ้วเท้าเท่านั้นหนูจะมาขอน้ำมนท่านไปอีกฉันก็บอกว่าก็มาสิน้องเขาก็มากราบท่านและขอน้ำมนไปทั้งกินทั้งทาข่าวนี้บอกว่าหายสนิทเลยน้องสาวไปเล่าให้พี่สาวฉันฟังพี่สาวฉันก็เป็นโรคปวดเอวปวดมานานเต็มที ให้หมอนวดก็แล้วหมอแผนปัจจุบันก็แล้วก็ไม่หายพอรู้ว่าน้องคนเล็กหายเลยมาขอประทานน้ำมนต์จากท่านไปทานบ้างและทาที่ปวดด้วยน้องสาวมาเล่าให้ฟังว่าพี่สาวฉันเขา ย, ยังชั่วไปมากแล้วกำลังจะมาข อ, อน้ำมนต์เสด็จพ่อไปกินต่ออีกเพื่อให้หายสนิทอย่างน้องสาวบ้างตัวฉันเองเวลาไม่สบายมากๆฉันมักเป็นโรคแน่นและเป็นลมวิงเวียน ทุกครั้งที่รู้สึกมีอาการก็จะต้องรีบทานยาลมแล้วถ้ายังไม่ค่อยยังชั่วแล้วก็เพียงแค่พนมมือขึ้นกราบท่านทั้งๆ ท, ที่นอนอยู่บนเตียงขอให้ท่านช่วยปัดเป่าเดี๋ยวเดียวก็หายหมายถึงท่านประทับอยู่ที่วิมานนะแต่ถ้าท่านไม่อยู่ก็ต้องรอท่านสเสด็จ ก, กลับจึงจะได้ผลฉันเองซึ่งคุ้นเคยกับองค์ท่านมากขนาดสามารถจะทราบได้ว่าท่านประทับอยู่หรือไม่ แต่บางครั้งก็ทำให้ไม่ทราบได้เหมือนกันซึ่งฉันคิดว่าสาเหตุที่ทำให้ฉันไม่ทราบนั้นคงเป็นเพราะทันไม่อยากจะโปลดผู้นั้นก็เป็นได้จบตอนที่หนึ่งต่อไปเป็นตอนที่สองนะครับตอนมาเลวในบรรดาคนไข้ที่เป็นทั้งไข้าทางกายและไข้าทางใจที่มาหาฉันมีสุภาพสตรีผู้หนึ่งหน้าตาสะสวย อายุยังอ่อนวัยไม่เกิน28เป็นคนต่างจังหวัดครั้งแรกที่มาหาฉันนั้นหน้าตาเธอเศร้ามากในตาชำ้ำยิ่งเข้ามาใกล้ยิ่งเห็นได้ชัดว่าเธอมีเรื่องเสียใจอย่างมากขณะเล่าเรื่องชีวิตน้ำตาเธอก็ไหลยอยู่ตลอดเวลาพูดกระท่อนกระแทน่นจับความเกือบไม่ได้ในตอนต้นๆจนเธอระ ง, งับใจได้นั่นแหละฉันถึงจะได้รู้สาเหตุเธอทางานมีอาชีพเป็นครู สามีทำงานอีกจังหวัดหนึ่งอาทิตย์หนึ่งจึงจะได้พบกันทีเพียงสองวันมีบุตรสองคนอยู่กับเธอทั้งคู่เหตุเพราะต่างอยู่ห่างไกลกันนี่เองทำให้สามีเธอไปมีผู้หญิงคนใหม่เงินทองก็ไม่ส่งเสียเธอตามไปเห็นตามตาว่าเขามีผู้หญิงใหม่จริงๆและแรกสามีก็ยอมรับและจะเลิกติดต่อกับผู้หญิงคนนั้นสัญญา้อยเธอก็เชื่อ เพราะผู้หญิงคนนั้นก็ออกจากบ้านไปในวันนั้นส่วนเธอค้างอยู่เพราะลา ง, งานไปเรียบร้อยแล้ววันกลับสามีก็มาส่งจนถึงบ้านพร้อมกับมอบเงินให้เป็นที่เรียบร้อยทุกอย่างรันเวลาล่วงไปไม่กี่เดือนเหตุการณ์ก็เข้ารูปเดิมอีกเคยมาหาวันสุดสัปดาห์ก็ไม่มาเงินทองก็ไม่ส่งลูกเตาไม่เหลียวแลเอาเลยเขียนจดหมายไปก็ตอบมาแบบผัดเจ้าล้อ จนล่วงเข้าเดือนที่สามเธอจึงมาหาฉันและขอให้ฉันช่วยเสกเป่าให้ทีฉันก็ตอบไปว่าป้าเสกเป่าให้ไม่ได้หรอกเพราะป้าไม่ใช่ผู้ที่สามารถในทางนี้เสกเป่ารักษาเจ็บไข้นั้นช่วยได้แต่โรคทางใจนี้จะช่วยได้ก็เพียงแต่ให้แนวทางที่จะคิดหาทางออกให้ดีที่สุดเท่านั้นเองฉันได้บอกเธอไปว่ามนุษย์เรานี้เกิดมาเพื่อรับกรรมเก่ามีทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว อยู่บางคนเขาเกิดมามีทั้งบุญมีทั้งวาสนาเพราะกรรมเก่าเขาสร้างไว้ดีบางคนเกิดมาแทบจะตลอดชีวิตมีแต่ความอาภัพอับโชคถ้ามาหากินก็ไม่เจริญมีเมียมเมียก็ไม่ซื่อสัตย์มีผัวผัวก็นอกใจมีลูกลูกก็พูดไม่ได้บางก็เป็นโรคกรรมโรคเวรเดินเหินก็ไม่ได้พ่อแม่ก็ต้องเลี้ยงตั้งแต่เกิดเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ก็ยังคงทําแบบนั้น ตัวของเธอเองนั้นยังดีกว่าคนอื่นอีนอกเป็นหมื่นเป็นแสนรู้แล้วว่ารักสามีดั่งดวงใจแต่คิดดูให้ดีซิว่าเขากับเราเวลาเกิดก็ต่างคนต่างเกิดมาคนละทีเว้นกรรมชักนำให้พบกันรักกันอยู่ด้วยกันจนมีลูกมีเต้าแต่มาบัดนี้เขาเปลี่ยนแปลงไปเขาเปลี่ยนใจหมดรักเราไปรักคนอื่นแทนแม้เราจะดึงจะรั้งยังไงเขาก็ไม่กลับมา ฐานะทางบ้านของเราก็มีกินมีใช้เราจะไปมัวอะไรใจดีอะไรกับคนที่เขาหมดรักเราแล้วแม้จะเคยเป็นอะไรกันมาก่อนก็ช่างประไรเราควรจะรักศักดิ์ศรีของเราบ้างเขามีใหม่ได้เราก็อาจจะพบคนดีๆที่อาจจะดีกว่าเขามาแทนที่เขาได้ชีวิตนี้เป็นของเราเรื่องอะไรเราจึงต้องไปนั่งงอนงอนนึกถึงแต่เขาโอเคเขาเคยเป็นคนดีของเรามาครั้งหนึ่ง แต่มาบัดนี้เขาเปลี่ยนไปเขาไม่เหลียวแลเราแม้แต่ลูกในไส้ของตัวเองความดีของเขาเราควรตัดทิ้งไปจงมองให้เห็นแต่ความเป็นจริงอย่ามัวอยู่แต่ในความฝันซึ่งมีแต่ความหลังที่สวยงามจงมองให้ชัดแจ้งทั้งสองตาและใช้มันสมองว่าผู้ชายคนนี้เรายังควรจะนึกถึงเขาค้ำครวรถึงเขาอะไรใ ย, ยดีในตัวเขาอยู่อีกหรือเปรียบเสมือน เราเลี้ยงมาไว้ตัวหนึ่งแต่ต้นก็เชื่องดีให้ความเพลิดเพลินแก่เราดีอยู่ๆมาหมาตัวนี้ก็เกิดพยศเราก็จับผูกไว้ก็ยังดิ้นจนหลุดเอาขังในขอก็เอาไว้ไม่อยู่มันคอยแต่จะตะเลิดออกนอกคอกไม่รู้จักบุญคุณที่เราเลี้ยงมันมาเราเองก็ต้องมานั่งคอยกังวลคอยระวังว่าหมาจะหายทุระอะไรเมื่อหมามันอยากจ ะ, ะเลิดก็ให้มันเลิดไป ปล่อยให้มันเข้าป่าไปเลยข้อสําคัญเราเองต้องทําใจของเราให้ได้ด้วยว่าความสุขของเราอยู่ที่ไหนถ้าเราจะยึดม้าตัวนี้ไว้ก็จะมีแต่ความทุกข์แต่ถ้าเราปล่อยมันไปใจเราก็จะว่างเปล่าไม่มีอะไรมารบกวนจิตใจแล้วเราจะเลือกทางไหนเปรียบได้กับตัวเธอขณะนี้แม้เราจะไม่มีสามีเลวคนนี้ เงินเราก็มีใช้บ้านเราก็มีอยู่งานก็มีทำชีวิตใครก็ชีวิตใครสิถ้าจะถามป้าหรือป้าเป็นคนใจเด็ดเรื่องผู้ชายกับป้าหรือไม่มีความสำคัญเลยให้รักเกือบตายแต่ถ้ามาแสดงความใจดำกับป้าครั้งเดียวเท่านั้นป้าก็ตัดใจได้ไม่ยากนะักถ้ารักกันมาหลายสิบปีก็อาจจะมีอะไรใยดีบ้างแต่อย่านะอย่ามาแสดงอะไรที่ทาให้มองเห็นว่า เขาพยายามเสแสร้งทำเป็นดีกับเราซึ่งแท้ที่จริงเขาก็เป็นเพียงผู้ชายธรรมดาทั่วไปนั่นเองเท่านี้ป้าก็จบเกมเพราะฉะนั้นขอให้เธอจงเป็นตัวของตัวเองคิดและมองให้เห็นในหลา ย, ลายแง่แล้วจงเลือกทางเดินที่ดีที่สุดเธอก้มลงกราบรับน้ำมนต์ไปรถเป็นสิริมงคลด้วยสายตาที่มองเห็นอะไรขึ้นมาบ้างแล้ววันนี้เธอก็กลับมาพาลูกมาด้วย เธอเข้ามากราบแทบเท้าแล้วบอกว่าพระคุณของคุณป้าหนูจะไม่ขอลืมเลยคุณป้าคะเดี๋วนี้หนูมีความสุขแล้วคะ่ะถามเธอว่าทำอย่างไรเธอบอกว่าตกลงหนูข อ, อยากกับเขาเรียบร้อยแล้วเขาก็ไปตามทางของเขาหนูก็อยู่ตามทางของหนูคุณพ่อคุณแม่หนูท่านก็พลอยมีความสบายใจด้วยท่านยังฝากมากราบคุณป้าด้วยขอบพระคุณมากดูซิ เธอทําจิตของเธอได้แล้วจริงๆเธอไม่ห่วงหมาเลวตัวนั้นอีกต่อไปแน่นอนเพราะมาคราวนี้ดวงตาของเธอใสแจ๋วหน้าตามีน้ํามีนวลขึ้นเป็นไหนๆฉันเชื่อจริงๆว่าเธอทําใจได้และมีความสุขแล้วแน่นอนฉันขอภาวนาว่าในเมื่อเธอยังสาวและนับว่าเป็นคนสวยได้คนหนึ่งจงได้มีโอกาสดีได้พบชายที่ดีที่มีความจริงใจต่อเธออย่างแท้จริง รวมทั้งหลักใครเอ็นดูบุตรทั้งสองของเธอด้วยเธอจะได้มีความสุขที่อบอุ่นจริงๆและถาวรตลอดจนชั่วชีวิตของเธอและเขาผู้ชายคนใดของเธอด้วยตอนทนายเพื่อนเก่าเมื่อราวปลายเดือนพฤษภาคมนี้ฉันจำได้ว่าเป็นวันอังคารฉันได้ไปพบหมอประจำตัวมาขณะที่ฉันกำลังจะกลับออกจากโรงพยาบาล ไม่รู้มีอะไรดึงให้หันหลังกลับไปมองข้างในอีกทันทีฉันก็มองเห็นเพื่อนเก่าคนหนึ่งถ้าจะพูดให้ถูกก็คือทานายประจำตัวประจาบริษัทของฉันเมื่อสมัยฉันยังเปิดบริษัท้าโคต้าข้าวก่อนพบกับคุณกฤตทานายผู้นี้เป็นผู้ที่มีความรู้ปลาดเปลืองมากท่าทางก็สมาร์ทอยู่เสมอพูดจาเสียงดังชัดถ้อยชัดคำหน้าตาก็นับว่าเป็นผู้ชายที่หล่อเหลาเอาการพอตัว แต่ฉันพบครั้งนี้หลังจากเขาไม่ได้เป็นทนายมาประมาณยี่สิบกว่าปีดูซุดโซมหน้าตาซูบซีดผอมลงเล็กน้อยพอเขามองเห็นฉันก็เดินตรงรี่เข้ามาจับมือด้วยความยินดีภรรยาซึ่งยังสาวอยู่ก็เข้ามาไหว้ดีอกดีใจแม้ว่าเดี๋ยวนี้ฐานะของเขาจะดีมากรายได้เกือบล้านต่อเดือนแต่อากับกิริยายังอ่อนน้อมเหมือนเมื่อสมัยยังขอยืมเงินใช้เป็นประจำ มันช่างแปลกที่พอฉันเข้าใกล้ฉันเกิดมองเห็นโรคร้ายในตัวเขาอย่างกับเอ็กซเรย์เวลาฉันเล่าก็ต้องเล่าให้ละเอียดว่าเห็นอะไรยังไงแต่คราวนี้จะขอเล่าเพียงว่าเห็นและรู้ได้ทันทีว่าเขาเป็นโรคร้ายชนิดแก้ไขยากเสียแล้วและจะเจ็บปวดมากด้วยฉันก็พูดให้ฟังว่าให้รีบมาหาฉันโดยเร็วฉันจะช่วยปัดเป่าให้เขาก็รับคาอย่างดีพอวันพุธ ขณะที่ฉันนั่งแจกน้ำมนตตอนเช้าใจฉันก็คอยแต่พวงอยู่กับทนายผู้นี้พยายามส่งจิตให้มารักษาอยู่ตลอดเวลาในที่สุดเขาก็มากับภรรยาและพยาบาลประจำตัวคนหนึ่งท่าทางเดินยังองอาจอยู่ตามเดิมฉันได้เข้าไปเปลี่ยนเสื้อคอยที่ต้องรักษาคนไข้ซึ่งในห้องนั้นเปิดแอร์ไว้เรียบร้อยแล้วพอเด็กมาแจ้งว่าพร้อมแล้วฉันก็ขอตัวเข้าไปรักษา ก่อนฉันจะลงมือรักษาฉันได้ถามความรู้สึกที่เป็นอยู่ว่าเป็นอย่างไรบ้างเขากล่าวว่าเคยช็อกและตายไปแล้ว 90% เอร์เซนแต่กลับฟื้นขึ้นมาได้อีกได้ผ่าตัดตัดส่วนที่เสียออกไปและนอนอยู่ในห้องไอ u 3สเดือนเต็มๆขณะ น, นี้รู้สึกอึดอัดและปวดที่ยอดอกมากฉันก็ให้เขาถอดเสื้อออกให้หมดเหลือแต่กางเกงขา ย, ยาวตัวเดียว ฉันได้อัญเชิญอารัธนาเจ้าแม่มาช่วยฉันรักษาปัดเป่าความเจ็บปวดจากโรคร้ายให้หายเจ็บปวดไม่ทรมานอีกต่อไปโดยการเอามือจุ่มน้ำมนรูปจากหน้าอกลงไปสุดท้องจนทั่วไล่จากหลังส่วนบนจนลงไปสุดหลังส่วนล่างไล่ตามต้นแขนไปปลายมือทั้งสองข้างไล่จากท้องไปจนหมดจนถึงปลายเท้าปากฉันท่องคาถาไปพร้อมกับมือที่ไล่โรคร้าย ไล่ความเจ็บปวดให้อันตรธานไปจากตัวแล้วเป่าให้จนทั่วพอคนไข้ลุกขึ้นนั่งก็ยกมือไหว้บอกว่าผมห้อยพระเต็มคอทำบุญไปแล้วเจ็ดล้านกว่าบาทขอเรียนคุณพี่ด้วยความจริงว่าคุณพี่ช่วยผมได้วิเศษมากขณะนี้ผมรู้สึกโล่งไปหมดหายอึดอัดเป็นปิดทิ้งเลยครับผมจะมาขอมารักษาทุกๆนัดเลยนับจากวันนี้ไป เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาผมทรมานมากกับความเจ็บปวดต้องทานยาทุกสองชั่วโมงตอนกลับไปบ้านหลังจากฉันรักษาให้ปรากฏว่าทนายผู้นี้ไม่ได้กินยาอะไรเลยสามวันเต็มเพราะอาการเจ็บปวดไม่มีเลยฉันทราบจากภรรยาเขาซึ่งโทรศัพท์มาเล่าอาการให้ฟังนี่ฉันก็เป็นอันต้องรับรักษาทนายเพื่อนเก่าผู้นี้ต่อไปการจะช่วยชีวิตไว้นั้นเห็นทีจะไม่มีทาง เพราะเป็นมากจนเข้ากระดูกแล้วแต่มันจะช่วยได้เพียงไม่ให้คนไข้ต้องเจ็บปวดทรมานขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ก่อ น, นับว่าเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่แล้วเมื่อเช้าวันจันทร์ที่หนึ่งนี้ฉันได้โทรศัพท์ไปเยี่ยมอาการภรรยาเขาเล่าว่าเมื่อวานนี้ตอนที่ฉันสวดมนต์อยู่ทางบ้านและได้โทรศัพท์ไปสั่งให้รอรับอนิสง์เป็นเวลาที่เขากําลังเจ็บปวดอยู่เขาได้ทําตามอย่างเคร่งครัด โดยนอนพนมมืออยู่บนเตียงนิ่งๆเป็นเวลาประมาณ30นาทีปรากฏว่าอ น, นิสงฆ์ที่ฉันส่งจิตแผ่ไปให้นั้นได้ถึงคนเจ็บอย่างแน่นอนเพราะคนไข้าอาการค่อยอย่างชั่วลุกขึ้นนั่งทำงานได้กระสับกระเฉงเป็นที่ประหลาดใจแก่ผู้พยาบาลใกล้ชิดเป็นที่สุดตอนเช้าเมื่อได้จุดธูปและดื่มน้ำมนต์แล้วอาการเจ็บปวดก็ทุเลาลงฉันรับฟังด้วยความดีใจมาก และบังเกิดความมุมาณนะที่จะพยายามอดทนต่อความเหนื่อยยากเพื่อช่วยบำบัดทุกข์ให้แก่คนเจ็บคนไข้ทั้งปวงที่มาหาตลอดไปยิ่งขึ้นจนกว่าจะหมดพลังจริงๆต่อไปเป็นตอนที่สองนะครับตอนเพื่ออะไรที่เขียนมาเล่านี้มิใช่ว่าจะอวดโอ้อะไรแม้แต่ตัวฉันเองก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะสามารถช่วยใครๆได้หลายอย่างเช่นนี้ เวลามีผู้เข้ามาหาก็ถือว่ามาด้วยความทุกข์ไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งฉันก็พร้อมที่จะช่วยด้วยความเต็มใจทุกรายเสมอเคยมีคนหลายๆคนมีความสนใจในกิจกรรมการกุศลของฉันว่าทั้งๆ ท, ที่ฉันก็แก่แล้วมีความสุขสบายพร้อมแต่ยอมมานั่งแจกน้ำมนตช่วยรักษาคนเจ็บคนไข้บาบัดทุกร้อนต่างๆให้กับบรรดาผู้ที่ตกอยู่ในความทุกข์ สละความสุขที่จะนั่งนอนสบายอยู่ทุกวันนี้เสียแล้วก็ทนนั่งวันละหลายชั่วโมงติดต่อกันเพื่อประโยชน์อะไรกันทุกวันนี้ฉันจึงมีแต่จิตที่เป็นกุศลอยินดีช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เข้ามาหาโดยมิหวังประโยชน์แต่อย่างใดเลยทั้งนี้ยกเว้นการทำนายทายทักเช่นหมอดูทั้งหลายเพราะฉันไม่ได้เป็นหมอดูนอกจากจะได้รับเสียงกระซิบจากองค์มหาเทพ ที่ผ่านมาช่วงครั้งคราวเท่านั้นถ้าท่านผู้ใดได้ยินฉันบอกให้ทําอะไรหรือทักเรื่องอะไรก็จงคิดเถิดว่านั่นเป็นโชคดีของท่านแล้วจงเชื่อและรับปฏิบัติตามที่ฉันบอกโดยเร็วเถิดจะเกิดผลดีแก่ตัวท่านโดยไม่ต้องสงสัยอะไรเลยยกตัวอย่างเช่นขณะที่ฉันกาลังตรวจรักษาโรคอยู่เมื่อเห็นชื่อของคนไข้ ทันทีก็จะมีเสียงบอกให้ไปเปลี่ยนชื่อก่อนว่าชื่อนี้เป็นกาลกินีแล้วเมื่อผู้ได้รับฟังรีบไปหาพระที่ชำนาญในการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนให้ใหม่คนไข้ผู้นั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทันทีโดยเวลาอันไม่ช้านักหลังจากได้เปลี่ยนชื่อแล้วเป็นต้นเงินทองก็ไม่ได้รับเป็นสินตอบแทนนอกจากจะมีผู้บริจาคให้ก็เก็บรวบรวมไว้ แล้วก็ส่งไปให้แกเด็กยากจนที่ชนบทอีกต่อหนึ่งโดยมิได้รับไว้เป็นประโยชน์ส่วนตัวเลยก็จะขอแจ้งให้ทราบโดยทางหน้าหนังสือนี้ว่าที่ปฏิบัติอยู่ดังกล่าวนี้นั้นก็เป็นสิ่งเดียวคือต้องการได้รับความสำเร็จในมนุษยยภูมิเอาละครับต่อไปจะเป็นสองตอนสุดท้ายของหนังสือยานวิเศษจากอดีตชาติเล่มนี้นะครับตอนที่สเหตุการณ์ประหลาด วันแจกน้ำมนต์เมื่อวันเสาร์ที่16พฤษภาคมนี้มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นกับฉันโดยตรงซึ่งจนบัดนี้ฉันก็ยังหาต้นเหตุแห่งที่มาไม่พบแต่ตั้งใจว่าจะต้องหาให้พบให้ได้ถ้ามีเวลาจะสามารถทำได้ภายในบริเวณบ้านชั้นนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์มีบรรดาเทพต่างๆและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองมิให้บรรดาวิญญาณจรเล็ดลอดเข้ามาได้เลย ในบรรดาคนไข้ทั้งหลายที่มานั่งรอฉันรู้สึกว่าจะเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนั่งร้องไห้สะอึกสะอื้นมีอาการตัวสัน่นก็ไม่ได้สนใจอะไรเป็นพิเศษเพราะภายในบ้านฉันทุกครั้งที่มีการแจกน้ำมนตก็จะมีคนไข้มีอาการแปลกๆมาเสมอบางคนพอฉันนึกว่าเป็นอะไรพอเขาตอบว่าเป็ น, นโน่นเป็นนี่ฉันก็จะเยาะเล่นว่าทำไมไม่บอกองค์นายให้ช่วยละ่ะเท่านั้นละ่ะ คนไข้ผู้นั้นก็จะมีอาการตัวสัน่นเนื้อตัวสัน่นเป่าปากพืดพืดพูดจาภาษาเทพลั่นห้องไปหมดฉันต้องช่วยเอามือแตะขาทั้งสองข้างให้อาการจึงจะหายไปก็เมื่อเห็นผู้หญิงคนนี้เป็นอย่างนี้ฉันก็ไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่พอถึงเบอร์ของเธอผู้นี้พอเข้ามาใกล้ฉันก็นึกออกรางว่าเอผู้หญิงคนนี้เคยมาครั้งหนึ่งนานเป็นเดือนๆมาแล้ว ครั้งนั้นก็มานั่งร้องไห้อย่างนี้เหมือนกันฉันก็เรียกเข้ามาถามว่าเป็นอะไรเธอไม่ตอบเพราะตอบไม่ได้มีอาการหนาวสัน่นเหนือที่แขนของเธอเต้นจนมองเห็นถนัดฉันก็เอื้อมมือออกไปหวังจะช่วยแตะขาให้เธอหายอาการสัน่นแต่ที่ไหนได้เธอกลับจับมือฉันแน่นอย่างกับคีมเหล็กร้องไห้ไปพูดไปว่านี่จาไม่ได้หรือญาติกันแท้ๆญาติสนิทยังไงล่ะจาไม่ได้หรือ ฉันตกใจมากเพราะคาดไม่ถึงว่าจะมีวิญ ญ, ญาณใดแฝงเข้ามาได้ก็ได้แต่นั่งนิ่งเธอก็ร้องไห้อยู่อย่างนั้นพร่ำพูดแต่ว่าจำได้ใช่ไหมละ่ะแต่ไม่พูดอย่างอื่นฉันพยายามนั่งมองก็ยังมองไม่เห็นว่าเป็นวิญญาณญาติคนไหนของฉันที่ตายไปประมาณสี่สิปีมาแล้วฉันปล่อยให้เธอยึดมือของฉันไว้ทั้งสองมือจนเธอเหนื่อย และวิญญาณคงถูกไล่ออกไปโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในห้องภายในบ้านฉันเป็นผู้ขับไล่นั่นเองเธอสงบลงนั่งเป็นปกติกลาบฉันพูดจาประหนึ่งมิได้เกิดอะไรขึ้นเลยปรากฏว่าเธอเป็นลาวเป็นภรรยาข้าราชการสถานทูตลาวในประเทศไทยนานๆเธอจึงจะมาจากเวียงจัน์มาหาสามีสักทีเธอบอกว่าเธอจะกลับมาหาฉันอีกก่อนที่จะกลับเวียงจัน ครั้นมาข่าวหน้านี้ไม่ทราบว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเธออีกเพราะบางทีคราวนี้ฉันอาจจะรู้ก็ได้ว่าญาตสนิทของฉันที่เป็นวิญญาณมานั้นคือผู้ใดตอนสุดท้ายจากหนังสือญาตวิเศษจากอดีตชาติเล่มหนึ่งนะครับตอนไม่เสียดายตามที่เคยเล่าให้ฟังนานมาแล้วว่าได้ไปเฝ้าทัานเท้ามหาพรหมองประกาศสิทธิและท่านบอกให้รู้ว่า ฉันมาเกิดชาตินี้เพียงครึ่งภาคเท่านั้นอีกภาคหนึ่งอยู่เบื้องบนเพราะฉะนั้นเสียงที่ได้ยินบอกไม่ว่าร้ายหรือดีให้รู้ล่วงหน้าทุกครั้งก็เกิดจากการได้ยินของภาคที่อยู่เบื้องบนที่คอยคุ้มกันและคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาท่านฤาษีลิงดำก็ดีหลวงพ่อวัดพลับก็ดีท่านอาจารย์ภัยบุญก็ดีเท่าที่จำได้ตางก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าฉันแบ่งภาคมาเกิด เพื่อชดใช้กรรมและเพื่อมาเสริมสร้างบา ร, รมีแม้เจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรก็ยังสั่งลูกมนให้มาบอกว่าให้ฉันสร้างพระตามที่มีนิมิตไปร่วมกับท่านเป็นองค์สุดท้ายเห็นจะเป็นด้วยเหตุนี้ก่อนที่ฉันจะต้องละสังขารเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่แห่งความเมตตาท่านถึงได้โดนบันดาลให้ฉันกลายเป็นตัวแทนนั่งรักษาคนเจ็บคนป่วยช่วยแก้ปัญหาชีวิตโดยการเสียสละความสุขส่วนตัว เสสะละหลายๆอย่างอยู่ทุกวันนี้นับวันผู้คนก็หลั่งไหลกันมาเพราะผลของน้ำมนที่เจ้าแม่มอบไปรักษาโรคต่างๆล้วนแต่ได้ผลส่วนจะมากหรือน้อยก็ตามแต่บา ร, รมีของผู้รับทั้งสิน้นความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าที่ฉันมีอยู่เนื่องด้วยต้องนั่งตลอดแทบทั้งวันเป็นเวลาหลายชั่วโมงติดต่อกันเพื่อบริการคนที่มีทุกคนแล้วคนเล่าพอได้ทราบผลของน้ำมนว่าดีมีประโยชน์ ช่วยรักษาพวกท่านทั้งหลายให้ทุเลาเบาบางหรือบางรายก็หายไปเลยฉันก็ลืมความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าของตัวเองโดยสิ้นเชิงเรื่องที่ท่านผู้รู้ทั้งหลายทำนายทายทักว่าแบ่งภาคมาเกิดนั้นฉันไม่ได้ติดใจแต่ประการใดไม่เคยงมงายหรือยึดถือเรื่องในอดีตชาติแต่อย่างใดเลยเพียงแต่ว่าความฝันที่ฉันฝันอยู่บ่อยๆนานๆครั้งนี้น่ะสิที่ทาให้ฉันรอคอยวันที่จะได้กลับไปสถิตยอย่างที่เดิม ความฝันนั้นมีอยู่ว่าฉันจะฝันเห็นบานประตูเปิดโดยเห็นเพียงส่วนล่างของประตูเท่านั้นประตูนี้ลอยอยู่บนหมู่เมฆและตรงประตูจะมีหญิงคนหนึ่งยืนอยู่มองเห็นเทิงผ้ายกทองหน้านางที่เท้าใส่รองเทา้าหัวงอนซึ่งเป็นทองนางกวากมือลงมาเรียกฉันและพูดว่าเหงาเหลือเกินกลับมาเสียทีเหงาเหลือเกินกลับมาเสียที แล้วทั้งประตูทั้งผู้ที่เรียกฉันก็อันตรธานไปทั้งหมดฉันฝันอย่างนี้และได้ยินเขาพูดอย่างนี้ทุกทีที่ฝันตัวฉันเองก็อยากจะตอบว่าอยากกลับไปเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ตอบสักทีเป็นฝ่ายได้ยินและได้เห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วก็หายไปอันความฝันนี้อาจจะเป็นความจริงอันเนื่องมาจากอีกภาคหนึ่งของฉันที่คิดถึงฉันอยากให้กลับไปรวมเป็นภาคเดียวกันก็อาจจะเป็นไปได้ ฉันเฝ้าคิดคำนึงอยู่เสมอและรู้สึกอยากจะกลับไปจริงๆแต่ถ้าฉันไปเสียแล้วก็เท่ากับฉันทิ้งพวกลูกศิษย์คนเจ็บคนมีความทุกข์ไว้ข้างหลังแล้วใครจะมารับหน้าที่นี้แทนฉันได้เล่าใครจะเล่าเวลาที่ฉันรักษาคนไข้โดยเฉพาะคนไข้ที่มีอาการน่าสงสารมากๆฉันพยายามขอเจ้าแม่ให้แนะนาวิธีรักษาให้คนไข้นั้นให้หายเร็วๆเหลือเกิน อยากจะได้เห็นคนไข้นั้นหายเร็วๆให้ฉันได้เห็นก่อนที่ฉันจะจากโลกนี้ไปเป็นที่สุดถ้าฉันต้องตายไปก่อนที่จะได้เห็นคนไข้าหายจากโรคที่กำลังรักษาฉันคงไปได้ไม่ไกลวิญญาณฉันคงจะมาวนเวียนเพื่อจะมาช่วยรักษาคนไข้พิเศษพเศษิเศษที่ฉันรักใคร่สงสารและใส่ใจอยู่อีกเป็นแน่แต่ก็ช่างเถอะชีวิตของฉันก็อยู่เพียงครั้งละหนึ่งวัน และในหนึ่งวันนั้นฉันก็ปฏิบัติตัวอยู่ในกรอบที่ดีช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บใครและมีความทุกข์อย่างเต็มที่ประกอบแต่คุณงามความดีอยู่ในศีลในศัตธรรมอยู่อย่างดีที่สุดแล้วในวันใดที่ออกแจกน้ำมนต์รักษาคนไข้ฉันก็เสียสละทั้งพลังกายพลังจิตและพลังสมองให้แก่คนที่ฉันรักษาอย่างเต็มที่ทุกคนฉะนั้นถ้าวันใดฉันมีวันต้องจากโลกนี้ไป กสุดความสามารถที่จะฝ่าฝืนพมลิขิตได้และฉันก็จะไม่เสียดายเลยที่ได้มีโอกาสประกอบกุศ ล, ลจิตได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจนสุดความสามารถและช่วยอย่างดีที่สุดที่จะดีได้แล้วฉะนั้นแม้หากฉันจะต้องตายจากไปฉันก็จะไม่เสียดายชีวิตเลยเวลาได้รับฟังเรื่องต่างๆจากบรรดาคนไข้ที่มาหาระบายความทุกข์ทั้งใจและกายของแต่ละคน ทำให้จิตใจห่อเหี่ยวเหลือเกินอยากจะเนรมิตให้ทุกๆคนหายจากความป่วยไข้และถ้าคนไข้กลับมาเล่าความเป็นไปว่าอาการดีขึ้นจะรู้สึกปลื้มปิติเป็นอันมากแม้จะต้องทรมานสังขาร น, นั่งภาวนาอธิษฐานจิตคนแล้วคนเล่าบางวันถึงร้อยกว่าคนก็ยินดียอมทนเพื่อกุศละจิตบำบัดทุกข์บำบุงสุขให้แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ยอมอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ตกอยู่ในความทุกข์ให้รอดพ้นจากความทนทุกข์ทรมานนอกจากจะช่วยเหลือผู้ที่เจ็บไข้แล้วในเวลาเดียวกันก็ยังได้มีโอกาสช่วยการสร้างโรงเรียนให้แก่เด็กที่ยากจนในชนบทได้มีโรงเรียนมีข้าวกินด้วยเงินของผู้ที่มีศรัทธาอุทิศเงินใส่ตู้ให้เมื่อได้รับน้ำมนต์แล้วอีกทางหนึ่งด้วยขอขอบคุณต่อความมีน้ำใจศรัทธา ช่วยอุทิศเงินบริจาคให้แก่เด็กยากจนมานะโอกาสนี้ด้วย